ปฏิบัติทุกวันนะครับขวดเป็นธรรมะอะไรให้ได้ดิจะทำอะไรการปฏิบัติคือเวลาเราปฏิบัติท่าขณะปัจจุบันธรรมเราปฏิบัติอยู่ต้องทุกๆแบบเวลาเราถ้าเกิดมีจิตมันฟุ้งซ่านมากใช่ไหมคะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยคิดไปพอเราลู้แล้วเราก็ กลับมากลับมารู้มาลุไปลุไปรู้มาบา่อยๆ<ม>อันเนี้ยมันเกิดความเคยชินใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเาใกล้จะถึงวันเวลาที่เราจะต้องจ่ายจะต้องตาย<ม>อ่ะมันจะเกิดความเคยชินตรงนี้ระลึกมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าไม่ทราบนะเจ้าค่ะคือเนาสติไม่ดีไม่ฝึก บ, บ่อยๆก็ต้องฝึก บ, บ่อยๆถึงจะมันขวางเรื่องอะไรมาพยายามามาเยอะจิตนิสคิดูนับ้วแต่เราเกิดมาดูใจกับดูกายดูอะไรมากกว่ากันค จะดูทั้งใจกับกายอันนี้แก้วกายอันนี้แก้วใจอะไรจะมากกว่ากันือมาบวกลบคุณานแต่กัูค่ะถ้าธรรมถ้ากายมันเกิดทุกขเวทนาเยอะมากบางทีนไม่มีเวทนาหรอกแต่ใจใจมันเป็นไปเองใช่ไคะเห็นไมเราคนตายอยู่ในเ่ะมันเจ็บตรงไหนหาแต่ใกล้กันไหนละขาคู่แข้งกูอยู่ไหนล่ะขาไม่มีอ่ามันถ้อยจำา ตัวจุ่นนี่งานอยู่ในหัวใจนี่ไปย็ดไปถือตะลาฮาไปปัญจขันธาขันธ์ห้าปัญหอันหนักอะไร ก, ก็ตัวกูตัวกูนั่งทีน่นอนแก็บกูแก็บกูยังอยู่ในเหี้บไม่เห็นมันแกะห่ะแต่ตอนนั้นมันลึกซึ้งมากกว่าจะถึงขั้นนั้นได้นะมันไม่เลือกหลอกแต่คนเราไม่ดูเฉยๆไปดูแต่ผมขนเล็บฟันหนังพระก็มีตะบอกกลมเอาของมาตรวายพระคทำไมไม่บอกกลมทำบุญบ้างที่พระกีรุกประเทศไทยวัดจีวัดตรงไหี้ยงลขึ้นมาต่าแต่พระอ นี่ต้นนี้นะต้องเอามันตัังขู่เกลียดใต้พูดเรื่องการขู่เกลีดนั่นนี่ไม่ได้พูดให้คนนะเดี๋ยวว่าหลวงพ่อพูดในเพราะมีมตะแต่ดุเออดุเกลียดเป็นไรล่ละหนูเข้าใจชอบค่ะให้สนุกเติย้ำๆบ่อยๆนั่นที่ยกจอปอปันเป็นเกลียดแห่งมรรคผลนิพพานใช่ไหมใช่ค่ะยกอปอปันดีแล้วดีแล้วดีแล้วมาเกิดทำไมนั่นวิธีขี้เกลียดใช่ไหมอ่ะขยันก็ทาขี้เกียจก็ทา ลมปกคิดยังมันไม่ขี้เกียจหรอกถ้าหากเราเห็นทำเราไปคิดปรุงแต่งนั่นขี้เกียจขี้เกียจตรงไหนดูลมหายใจเขาออกมีความสุขที่สุดอยู่กับลมทํำไมไม่ดูเรอกลมไปดูทาไ ม, ไมผมขนเล็บเสียเงินเสียทองเล็บมือเล็บเท้าสามสีสีผมจะดีเห็นแต่ผมหมาแดงเห็นขนคนแล้วห หลวงปู่ว่าถ้าเราดั่งภาวนากับเราไม่ต้องนั่งภาวนาแต่จเจริญสติได้เนืองเนืองอันเนี้ยมันจะมันจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราไม่ต้องภาวนาเป็นได้แต่ไม่นิ่งมันไม่นิ่งคือถ้าอย่างคุณเจ้าไ ม, ไม่ได้ตัดทุเพราะการวิ่งไปโน่นไป น, ไปนี่ได้ตัดทุลูเพราะการนั่งเห็นไหมนั่งมากี่ปีกี่เดือนไม่ได้ตัดทุลูกเอาวันนี้ท่านหลักเราไม่ได้ตัดทุลูเราไม่ลุกจากที่เรานั่งที่เดียวค่สงบดีกวาเพราะมันบังคับไปในตัวถ้าเราจะไปเอ๋อจะไปโน่นจะไปนี่ใจไปตาม เดีวไปเห็นโน่นที่ไปตาม จ, จิเล่ต์ต่อสิ่งนี้นิ่งไหมล่ะอนั่นเอาคาของพุทธเจ้ามาพูดเราไม่ได้ไปเชื่อพรนะนั้ะหนังสือก็จะไปเชื่อต้องเชื่อพุทธเจ้านั่นแหะพุทธะแล้วผู้รู้แล้วพุทธเจ้ารู้แล้วรู้ก็ไปทธูรู้แก้งโลกความไม่อยู่ของโลกมันวุ่นวายนั่นหัวใจของเราก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเราทําให้เหมือนพระพุทธเจ้า ถ้ายังหนูนะันหนูไม่ได้นั่งสมาธิด้วยเนี่ยแล้วก็อยู่กับปัจจุบัน<ม>ไปบ่อยมันก็จะกระเดิดเปิดเปิรไปเยอะต้องมานั่ง <c oughs> ปัจจุบันมันหลายอย่างปัจจุบันโลก <c oughs> ปัจจุบันคนเราอยู่ในโลโกโลกียะน่น<ล>เห็นไหมล่ะ<อ>ถ้าอยากรอกุตละเข้ามาทีเดียวเจ้าค่ะก็หยุดได้นั่นก็หยุดแล้วเริ่มหยุดกายวาจาใจหยุดพร้คุหยุดโลกียะแต่ว่ารอกุฏะไม่หยุด รัวกุตละมีอ็นเดียวลมรัวกุตละไม่รู้อะไรอะไรเต็มไปหมดหุหาอยู่ด้านันหาวิ่งหาตามกิเลสหาหมอนหาลกใช่ไหมร่ํำรวยไม่ใช่ไรล่ะอยากเงินได้ซื้อเซ็งฟินไปกู้ยืมนี่จิมสินมาหาภาวะอยากได้อยากดีไม่อยากได้ไม่อยากมีวิภวะตัณหาภาะวะตัณหากิเลสทั้งนั้นนะคะเป็กิเลสเรื่อ ง, งของโรกมันจึงได้ย้ำคำเดียวของผู้เจ้า จงหาความมีออกจากใจถามใครไม่ได้เราต้องถามตัวเรา เ, เรามีอะไรใจเรามีอะไรคิดรูกต้องัันพอแล้วอถ้าพระยจำจุดนี้เรายมก็จะไม่โงงทุกวันนี้เราสงสัเมื่อพูดส่สมมีแต่ฆ่ากันหลอกลวงกันปีนป้อนกันนะสุราข้อสุราเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเกินล่ามาขี่รถชนกันกินเล่ามาตีสามีค่าพ่อฆ่าแม่ อะไรยาราคาแพงแงกวตีกันเขาแต่ทำบ้าก็ไม่หยาบก็หมดใจแล้วบางที่ครูเจ้าไม่ได้สอนทำไมทําได้นะครูเจ้าสอนทำไมทําไม่ได้ฉันทําคนดีกินเหล้าทําคนดีปนเขาก็ว่าทําคนดีขโมยเขาก็ว่าทาควมดีเหรอโรคเดือนจําเดือนจํามันแน่นไปหมดฟังคองพระเจ้า ทำที ten, aro, ein, man, n, ่เราตัดโคตจะตัดรู <These sound> like so ้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้เป็นคนเป็นคนแต่ไม่ใช่คนธรรมดานะต้องยกฐานะจิตขึ้นมาผู้งจากหน่อยมนุษย์คุณน่ะพูดของมนุษย์ถ้าหากเทียบทั้งโลกพวกาจบปัญหาอะไรหลวงปู่ขาละถ้ามีบทสวดที่ว่าธรรมจักรนะคะที่ตรงที่ว่าเอวันติปริวัตังทวารภาการางยถาภูตังยานะทัศนังนะ นัสุวิสุทธังโหสิคำว่าปฏิเอวันติพระธรรงที่3รอบอะไรอ่า3รอบปัฏจักรสารอบอันนี้เข้าหมายถึง3รอบอะไรเจ้าค่ะหลวงปู่เยอะเกิดแก่เก็บตายนั่นละีอะไรเปฏิตีคำข่วงข่วนมาได้หรอกเอาจุดนี้จุดเดียวก็พอแล้วค่ะงปูว่าจึงไม่นิยมการสวดเยอะๆบางคนสวดสิหหักบัชานรอบสิรอบ คาถาเงินลานร้อยรอบพันรอบ ม, มันท่องอยู่นั่นมันไม่หาเงินจะได้ไหมล่ะแต่อยากเข้าใจไงเจ้าค้าความหมายวงร่งวมใจแล้วก็ดูนี้จะเข้าใจดูลมเข้าออกอมันไม่มีสมาธิพระไม่สอนให้ดูทําสมาธิอย่างบางทรั้งบางรูปยังมาจะไปทำสมาธิมันหนักทําไมให้มันนั่งเจ็บปวดทําไมนูท<ะ>ี่เจ้าสอนเลยนะสมาธิปัญญ า, มาไม่เห็นว่าปัญญาสมาธิไม่ได้ว่าเลย ถ้ไมมีสมาธิม่นจะเป็นปัญญาได้ยังไงยืดนิ่งเกิก่อนอันับแรกทานศินภาวนานั่นทั้งโลกทั้งโลกนะนี่ย่ำก็มาพูดที่หนีจากโลกศินสมาธิปัญญาไม่เห็นว่าปัญญาศินสมาธิไม่เห็นว่ า, ญญารหรอกถ้าไม่มีปัญญาจะมีสมาธิได้ยังไงนี่สมาธิมันจะเกิดปัญญายังไงสมบัติสมบัติโลกียะ ทรรมะทิโลกุตะละถ้าโลกุตะละไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจถ้าทั้งโลกมีฉันมีความสุขนั่นเห็นไหมมีเงินมีทองฉันมีความสุขทั้งสวยกับงามฉันมีความสุขแต่มันมันเที่ยงไม่ทีนี่เที่ยงขันร่างกายนี่แหละเรกหามาบํารุงมาเลยหาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายพูดทําไมืมืออขันร่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เจ็บตายฟังคํานั้นสิฟังอยู่ในหัวใจไม่ใช่ไปฟังเป็นสัญญา ตอนนี้นกแก้มกระท้องได้ปล่อยวานไปไหมผมบูดของเน่าถ้าเอาธรรมะมาแปลนะ <S S S กระสอบหอก่อของปฏิคูนเดินได้ <S S นะกระสอบนั่นนี่ก็สอบใส่ของปฏิคูนนั่นนี่ลื่อกระสอบออกไปดูนี่ลื่อนี่ก็ลืกหนังออกไปอีกลอกหนังก็ไปกระดูกออกเห็นพงนอะไรอยู่ในนนท์เอาธรรมะมาดูไปดูคนนู้ทางรลกสวยงามสวยงาม ความกูเจ้าโอ้ยสกกะปรกแล้วเขาบ่นดากูโกรดเลยโอ้ยยายสกะปรกเหม็นกุยสาบไอ้ยุ่งหลานซื้อกลนหอมมาจากเมือง น, นอกเพิ่งน่าให้กูม่รู้ว่ากูเหม็นจังไหนโอ้ยได้กันแล้วน้ำหอมมันหอมแต่ว่าคนมันเหม็น<ะ> <c oughs> นั่นเขาพระเจ้าต้องดูเป็นธรรมะ ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความส ง, งบนั่นถ้าเรารโลภวมดสงบแล้วธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามฟุง้งซ่านใช่ไหมเอามาฟุงมาแต่งผมเส้นเดียวเงาะเดียวสาสีสีสีเล็บสามสีสสีฟันก็ทําไม่เฉียนขิวถ้าปาขนตาไม่ดูขนอะไรมาปลูกให้มึนขนตาผีที่บอกเนาะมันบอกเขามีขน ถ้าตัดที่เข็ดอกของปู่เส ม, มอนี่ว่ะโหองปู่ว่าจักรหรว่าเล็บมือผีมาต้อให้อยว่นั่นดอกเล็บมื อ, มอคู่วันเล็บมือคนเขาต่อนะเจ้าค่ะใช่ค่ะต่อกันหลวงปู่ทราบด้วยเหรอคะไมอลูกหลานเราเป็นคน <c oughs> นี้นะบอกว่างานหลายว่างานหลายคนหลวงปูงงป่งินบึดนะตั้งแต่หลัดวันหยุดมาไปฝฟกันเอเขาในม่วนไปบ้าน มีอย่างนั่นคนขี้ไหลแต่ขอมาค่อยเห็ดแจ้งโตหลวงปู่มันขาดอย่างเดียวคือสร้างมาจะเปิดต้องเรียนสอนเปนหลักแล้วนี่ก็เปิดโรงเรียนสอนไปขอบ้านเพามันมากหกแล้วก็เพดปลูกขนตาว่าเป็นตาเขออาเสบเขาก็ทาไร่เล่าจีบั้านั่นต้องเรียนรู้จัก่อนด้ เพชรแขวเขาก็ดีแขวอักเสบเขาไม่ฟงงล้วช่างไม่ดีกว่า ก, ากา <c oughs> ต้องสอนสำคัญที่คือพูดมาทำให้เป็นการทํามาหากินต้องให้ครั้งอาชีพเลี้ยงเขาเลี้ยงชีวิต <c oughs> ต้องเรียนจบมีหนังสืออะไรปักรับประ ก, กันเดี๋ยว้อยพวกนวดก็เหมือนกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ค้ามีอะไรละ่ะ เปนก้ลงปลูกปลกแนให้นะคะไเ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงูกมาได้ เอาจะใส่ให้แล้วก็ไปผูกม<ๆ>ัดให้เอาเจ้นอะไรเขาเกิดก่อนกหนดค่ะอ๋อ เ, เไม่ได้นั่นแหละ็อยาะมาธิเห็นอยู่แล้วก็มีธรรมะตั้งนั้นแหละใครอยากเป็นล่ะไม่อยากเป็นก็นกนก ร, รีบทำที่พระเจ้าสอนได้หนีจากหาที่ไหนได้พระเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนไหมล่ะ ถามก็ไปที่ทำนิดหน่อยนิพพานนะปะัตยโยหัวตัอนาคาเตกาเลไป็นมหาพระวันนิพพานพกหน้าชัดหน้ามันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้ดูปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นปัจจุบันรู้ ป, ปัจจุบันอถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นพระอยู่ได้ทําไมเขาจะวากี่ขัน้นว่าล้วนหลอกกินอีกแล้วอ่านรู้ จ, จากจุดหมายคําสอนพระเจ้ารู้จากจุดหมายของนักบวชล้วก็ไม่ค่อยอยู่นั่นแหละ ไปคายพบหน้าชาดหน้าอยู่นั่นแหละ <c oughs> นี่แหละคนที่มาแตะกำเนิดมาแต่กำเนิดค่ะ <c oughs> ก็รู้อยู่พูดได้ไหมพูดได้ค่ะตรมนี้เป็นงี้ไม้รีบทำเอาดีๆนะแตด็เตือนตนเองขุจักภาษาเ่ล่าอันบขุจักหลายปันไดค่ะหลวงปู่เทว you เตจวนยัวมีเดเทชั่นนะจบแพ้ทำเก่าบุญเก่าไม่ทามาบุญใหม่นะฮ ไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นคนก็ได้อยากไปไหมกับพระพุทธเจ้าเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปยังไงบอกไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่เพราะตอนนี้กำลังกำลังสีพาเข้ามาวัดนำแลยวพระแปะให้ฟังพระท่านแปะให้ฟังให้ลลูกีแปใใหห้้รู้ใจ so so to to look after your mind Try to listen to your mind. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? h y Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? w h a Why? Why? w h t Why? Why? Why? Why? Why? Why? w h d Why? Why? w y Why? Why? w y Why? Why? Why? Why? w h e h y Why? Why? h y Why? h y h y w h g i h y Why? Why? Why? Why? Why? แก่ไม่เป็นใจนี่เรียบดูตาเห็นใจล้วก็ไม่ห่วงเรื่ร่างกาย so if you, you try to purify your mind you don't need to worry about your body ดูไหมเห็นไหมดูลมเข้าลมออก observing your breath being the now sensing your breath เห็นไหมนั่นแหละอาหารใจ โซเดตเดอ o ฟูมา so ไม่ได้ซื้อเราจยฟอร์ันเห็นไหมมาทอะไร <laughs> เขาเขาบอกว่าเขาเขาเขามีตังค์จ่ายเขาตังค์จ่ายมันก็ซื้อไม่ได้มผลนิพานไม่มีซื้อไม่ขาย <laughs> ให้ดูเอาถ้าเห็นใจกว่าเห็นมักผลนิพพานรู้จักไว้ล่เพราะผลนิพพาน so, so the, the true happiness you cannot buy you have to do by yourself you do meditation okay observing your breathing in breathing out concentrate your mind you will find the true happiness เห็นไหมตะวันในอกในโลกในใจรู้จักไว้เมืองตะวันฤดี่ลม heaven or hell is in your heart อยังย่างยากอยู่ต้องค่อยๆอืมเดี๋ยวบวกเอาไว้รู้ไว้ก็จะไปทำ For your protection, okay. นั่นสำ r รับการ o ุ้มครองคุณนั่นพวกคุณผู้ิปัญญาก็เห็นแล้วก็ที่ไปทำเอามันไม่เที่ยงต่อไปข้างหน้าพบหน้าชาติหน้าไม่มีหลักศาสนาทําของพระเจ้าห้าพันปีแล้วจะเกิดอีกกี่ขั้งห้าพันปีหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วหเหลืออีกยี่หน่ยเห็นไหม เสื่อมไปเสื่อมไปหลักศาสนาของเจ้าห้าพันปีนะเดีย๋ยครึ่งกลางไปแล้วค่อนไปแล้วยังวุ่นไปดูนี่มึงไทยเมืองพุทมีแต่ฆ่ากันหลอกลวงกันโกงหกโคตรลงกันเห็นเขารวยดังประเทศไปกงเขาเห็นเขาสวยงามคมขืนเขาเมืองพุทอยู่ที่ไหนเขาไปพึ่งลงมโลงพล้มไส้พุทธศาสนามันน่าละอายนีประเทศเราไม่ใช่ตําหนินะ ผู้ตาเหตุผลเจ้าไทยเจ้าพุทธวัฒนธรรมวัฒนธรมรมตั้งสมัยปราจวงวัฒนธรรมมาไปสอนโยมบรรจินวันพะเขาวษาผ้าออกกนาจโยมไปแห่เทียนเขาวัดไปฟ้อนร่ำตะบกกล่รามานั่กะถินแห่กะทิ้งเขาวัดถือกวดเราพวกหนึ่งทั้งนี้ฟ้อนทั้งนึงขือกวดเราใช้ปากมันถิวัฒนธรรมชาวพุทธพิธีทางพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติจะเอา ของในจะเอกของนอกจะนําเข้าไปของเหลือลวกๆจะนําเข้าไปกวนวัดจะช่วยกับรักษาที่พระุทธศาสนาพุทธประศตัศตรสิปิจุตมะเนนอุบากาอุบาสิกาอุบาสกคือผู้กายอบาสิกาคือผู้หญิงตั้งขึ้นมาทำไมวัฒนธรรมจะเอาโรคๆไปสอนกันพากันทำไปเห็นเจ้านุ่ลองนายกเขาก็มีหลาปีคำพูดวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีทุกอาเภอ ทุกหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แล้วตอนนั้นชาพุทธชาพุทธรักษาไว้พระพุทศาสนาเรื่องของตั้งโลกเรียนทุกยอนภูว่าบัวได้หลวงปู่สงการก็ไปเรลยนยี่ปุ่นวัดเข้าใจไม่วัดราคาตัวไหนวัดกายได้กากวัดวาจามีนาศการเรยนะวัดใจนั่งให้สงบนิ่งถ้าไม่อยากไปทำจุดนี้เขามาทาไมจุดวนวัดวนพระ ่อยไม่มีอย่างนี้ไม่ไม่ห้ามเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีแล้วไปทไปดื่มไปเลยบวชก็ไม่มีพอร์สโซงเันไม่มีใอนถอนหอยขวนหนาาขวนเนก็ไม่มีบางสมัยบางคนขโมยเอาลูกไปสู่ขวานน้าโว้ยไปบางทีไม่ได้บวชจะฆ่ากันตีกันก็มีนั่นถึงสวงปู่ไม่ให้อนุญาตแล้วบวชง่ายง่ายมีศรัทธามันแล้วของบวชบริการจ่ายให้ฟรี ที่ไแห่ทาไม ล, ะล่ะะลาะกนเมืองไทยจับกันสดออกจากเดอนจำหรือยังอาจารย์ขเขาบอกว่าลูกเ ล, ลูกหาลูกหลานก็ลังสอบพวกมหอนสบขงานจะมาปวดหนักกรุผู้เดียวเขาหามแคนั้นพอได้จ้างมหอนสอบมาแล้วมืามมืนก็บ่ได้เรียนบริเวณงานสอบถึมาเศร้าั้งไหอาจารย์เขาหามบ้างมีคนหนึ่งว่าจะไปถามกั น, นาอาจารย์เปน็นหาม คนหนึ่งกินเหล้าเม้าหรอกขึ้นไปว่าได้ถามตน ต, ตีปากอาจารย์เลดไปทุนลมุนกันน่ตามจับได้กี่คนก่อนนั้นรู้จักคู่ตามเรื่องนะถ้าเรื่องเป็นสินเป็นธรรมนั่นเห็นไหมพระเอา้าไผู้เจ้าบวชผู้เจ้าได้แห่ไหมได้มีหอแล้วศพคบงานไหมกฎหมายก็ผิดทำก็ผิดนะห้ามไม่ให้วัดว่าอารามนั่นๆันไม่ให้ มีมองเราจบคบเงันนในกฎหมายบันรห่ห้ามกม่านแล้วเดี๋ยวนี้ก็ห้ามกม่าปอีกห้ามนุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัดคนยังลับก็อุจารย์บาดตาประเทศเล่าไปตั้งแล่ละใครม่ใส่ผ้าถุงเข้าวัดไม่ได้ไม่ให้ใส่บาทรพุ่นบัตรหตีกวดกวดเพี้ยงเียกบกว่าไป <c oughs> <c oughs> ละอายจุดนี้แล้วเมือนพุดเมือนฟุตขอไปพผ้าใส่กันต่ บ่ต่างเหตุย hmm. ังยากกว่าเตีทยเตะเอาตะขาทองเทียวขอเห็นไม่คุณธรรมไม่สินสินหาขอตอนนี้โอ้ยเป็นประเทศเทวดาไม่มีคนไม่มีกองว่ามีเอารถเรืเที่ยิงขึ้นไปกรหอกโค้งกันคนฟูไม่สินทาบ่เสือคนมังไงดิเห็นบ่ม่สินทำของกันเจ้านี่บ่ไม่สินทำเขาไปน้อเสือเสียเสอ ต้มผู้เถ่าผู้แก้มาเถินเขาปั้นเลสต้มลงผู้ต้มก้าต้มเสื้อกะเสือ้อน่ามาเถินหน่อยขาดนังขาดเลกเดียวคือกาดข้อวัดไม่ทำบุญถ้าจะาได้บุญเยอะๆเมืเ่อใส่บาตรเห็นของในบาตรหลายนี่มอนหลวงปู่กลับวัดนั่นได้บุญหลวงปู่ถือว่าเป็นบาตรสิได้บุญชอยพระถากเกล็ด เห็น ไ, ไหมพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระผู้สงสารอาหารเกินขอบปากบาทนี่บาทม้อยรับเกินนี่ดิยั่งหลายดีน่นบาทประเสศให้มันน้อยเสมอหนึ้งเอาไปยังหค่นี่มึงปูวันหลังเอายามมาด้วยสองยามสามยามเต็มหลอดทั้งมือเดี๋ยวเนี่ยอดจะมีแก่รถทั้งคนเดีย๋ยวนันเขาจับหมาห้ามหมาไปเชินรถใส่อาหาร ตกับข้าวเพื่อนเพื่อไม่ให้ถุงพตาสติกไปใส่บาทรพระพพเยอะกุนกุนเล่นแล้วนั่นะนะหลงพอไปทาําบาปเที่ยนพญากเที่ยนพญาเกิดที่เลศพุทธเนตรพุทธบริษัทสี่กุญแจว่าล่ะภิกษุตัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงช่วยกันรักษาประาทศาสนาดิถ้าเห็นของเยอะแล้วก็บอกพกระกับวัด ติว่าเป็นบาปตือหลวงปู่บ่ได้บุญ oh, <Mr. S 1> ช่วยพระสงฆ์ถาจิเลศ mm hmm. พระพุทธเจ้าบินไปอยงหลายแท่เ mm hmm. ข้าหักพักเ็นมันราคาแพงเอาไปมาเหลือหลายไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไนเขามเขามาไ ม, มันจมมีย่อมตัวเดี๋ย mm hmm. ของขนไปหลายเลยเราใส่บาทด้วยปัจจัยแล้วเจ้าค้าหลวงปู่นั่นอเพิ่งพอไปอีกบาตทั้งพูไห้ mm hmm. ทั้งพวับ บาทพระไซอาหารมีคนสียหลงพ่ออะไรเที่ยวแล้วเทียดไ่ได้ใส่บาทไ่ได้ใส่บาทหลงหลวงพ่อกับบ่าดี้ตเครียดดิพระเจ้าพ่อไปบินตาบาทดองเงินดิบินตบาทเอาเขาดิแล้วเข่ามันหลแต่เขาน่อยก็จะสบายปัญญายบ่เอาได้พระเจ้าห้ามหราเกินพระเจ้าได้ยังไมันยุงกับพด้วยนิจพัดเดี๋ี่นะ้พระสง พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะแย่งกันเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆบางทีฆ่าเจ้าอาวาสก็อยากเป็นเจ้าอาวาสเน่ <c oughs> ต้องตัดอย่างเดียวคือไม่ให้ไปยุ่งไม่ต้องให้ที่จะพัดพระมันต้องเอาจตุ ป, จปัจจยพสวายพระที่นี่ไม่รับจับบังจับนะกับตู้รถสวายองค์นั้นนู่นนี่ก็บอได้พระอิพาเกิดกิเลสผมมีของเนตัวนชวนกลางอยู่แล้ว ต้องการสิ่งหนึ่งอะไรก็จัดโยมดูแลเองเราตามใจพระไปไปทั้งมรณะโลกแล้วพระตกมรณะโลกจักหน่อยเมื่อหลายมรณลกบอกอย่งนี้ห้าวเลกเท่าต้นตานเอาผ่าทั้งฆ่าพระไปผ่าจนมาอ้อนนุ่ผิดเป็นบาปหลายบอพระเป็นบาปหลายบอส ต้กังกองอิเล่ได้นั่นคิดบางขั้นเดียวจากที่สามันชนคนธรรมดาจะทําได้แั้งๆานที่มึงลมหายใจก็าออกคือเฮ็ดว่ได้จะว่างไหนอ๋อโยมมาทุกขังสุขูทุกคนเตือนแล้วขอให้ทําทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีทําอะไรทําบุญหรือดูสวรรค์สต่วันในอกในล่องในใจดูสวรรค์ทําไงจะเห็นสวรรค์ก็ดูลมหายใจเขาออก ถ้านิ่งหนึ่งนาทีเห็นสวรรค์ลแล้วถ้าลืมตาขึ้นเห็นนรกแล้ว <laughs> <laughs> เ, เห็นนั่นแล้ว ล, ำล่ำรวยสวยงามแต่ ล, ำล่ำรวยฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงาม <t ose> ล, ำล่ำรวยเนอขอมายืม <t ose> ถามสองครั้ง <t ose> ไม่เอามาให้ครั้งที่สามเอามือปืนไปด้วยให้ให้หรือไม่ให้บืนกียแล้ว <t ose> ยืมมาแล้วยร์ล้านกี่เดือนกี่ปีแล้ว เป็นนาหลอกปอนี่เผยงาน ม, มาแล้วในแท้ดาราดังต่า ง, ง, งประเทศไท้ยังข้าเพชรนิมจินดามาประกันอันดับล้านสองล้านสิบล้านก็มีสองสัมเรือนพ่กเขาใจกันหัวผู้ซายหวงผููยิงย่งผู้หยิ <Yeah. S 1> ่งหัวปูซายเอาลแยกกันแล้วแยกทางกันแล้วมีปัญหาพูดไม่ได้ดว่าดีไลูกกันสองคนมีปัญหาสองคนผู้บัากาเปิดเผยให้คนฟัง ไ ม, ม่มาหาจะไม่มาหาหึงกันนั่นเพราะฉะนั้ะเพราะสวยงามสังขารร่างกายมันสวย ง, งามตรงไหนเกินแล้ว แ, แก่เก็บตายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสวสดทุกเส้าเฮือก เ, เห็นไหมหลักนักสวสด น, น, นั่นหนังสือบอกบว่สาสวดเพื่อใจติผมคนแล็บฟันหนังอาหารไหมนะขางเก่าหน้ามูดหน้าพูดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นฟังของพระเจ้าที่ สาเหตุต si well. ัวนี้บังตัวนี้เป็นของสกป๊กก็ติไปยึดถือบันใดมันตีไปหักบันใดวังสะอาดของสกป๊กน้ำหอมหอมอยู่แต่ว่าคดมันบอมหอมก่อจะบอกไปไม่ได้เขาบากตาใจเหม็นสาสาตว์เอาไปเกลียบรอยวัดทะเลาะกันดเจ้ว่าคอยบวชคอยเน่าคอยบวชคอยเน่า่อยเหม็นนี่หรืล่ะสาตวเอาบวมีปัดว่ดทะเลาะกันจา โอ้มุติมาว่าให้กูทั้งหรกูหอมมาแห้งกว่าวเกียดกันเดยวแบอนั่นแหละไม่รู้เท่าต้องสาธุเอาง่ายอุตหอนสอนใจรีบทํเอ่อน